อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันเช่นเคยค่ะในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นี้นะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สองของเดือนมิถุนายนแล้วล่ะคะ่ะวันอาทิตย์ที่10บมิถุนายนนะคะซึ่งก็เป็นวันแรม6กข่ําเดือน7ปีมะโรงนะคะสําหรับในเช้าวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยค่ะเนื่องจากเป็นเสาร์อาทิตย์ดังนั้นเราก็จะ เป็นช่วงของการสนทนาธรรมะหรือสากฉานะคะโดยท่านดิฉันก็จะได้ทําหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะได้สอบถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องธรรมะดีๆที่จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านจากพระอาจารย์องค์ป่าถกประจํารายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะนั่นก็คือท่านพระอาจารย์ไพบุตรอภิปุโนโ ค, ค่ะท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมปรีกเล้น ปิดวาจาตามพุทธวจนะหรือพุทธโอษขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของวัดป่าดอนหาโศกตมบุรดอนหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะวันนี้มีพระเดชทุกคุณของพ่อดออรสะอาดที่ตโตพโสหรือท่านพระครูสิทธิปภะกรท่านเป็นเจ้าอาวาสผู้มีลูกศิษย์ลูกหาเต็มบ้านเต็มเมืองเลยนะคะขาเขานำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบน้ำบัศยารพระอาจารย์ไปบุญอภิปุโนโพระอาจารย์ของเราพร้อมกันเลยนะคะกราบน้ัสการเจ้าข้าพระอาจารย์เจ้าขาเชิญปอน สาธุเจ้าค่ะเราได้พูดคุยมาติดต่อมาหลายอาทิตย์แล้วนะเจ้าค่ะแล้วเมื่อวานนี้ก็พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะมาย้ำทบทวนโดยเฉพาะย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของอวิชชานะเจ้าค่ะที่เกิดจากอะไรเพราะว่าเรากำลังพูดถึงปฏิจจสมุทบาทหรือว่า เป็นธรรมะที่อาศัยกันและการเพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เกิดขึ้นซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นปฐมเหตุที่ทำให้เกิดมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในโอกาสที่พระองค์ทรงอ่าเรียกว่าตรัสรู้ทำอันเป็นสูงสุดเนี่ยนะเจ้าคะอ่าเช้าวันนี้ยมก็อยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ทวนสิ่งที่เราคุยกันไป เมื่อวานนี้อีกนิดนึงเผื่อว่าจะได้วันนี้นำมาฟังพระอาจารย์ได้มีตาที่จะชี้นหนทางแก้ไม่ว่า จ, จะเป็นเรื่องของตันหาอาวิชานิวรัต่างๆนะเจ้าคะ่ะขอกราบนิมนต์เลยเจ้าคะ่ะบลก็ขอสรุปที่เราได้พูดกันไปเมื่อวานนี้สักนิดหนึ่งนะที่พูดถึงเหตุเกิดเนี่ยคือพู้เจ้าบอกคร่าวๆเคยเคยบอกคร่าวๆว่า ไอ้ที่เราต้องมาบนเวียนอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยเพราะว่ามีอวิชาเป็นเครื่องกลางกาง้านมีตันหาเป็นเครื่องผูกไว้นะคือตันหาเหมือนเหมือนสุนัขเนี่ยเขาเขาถูกผูกกับที่ที่ดึงะนะไอ้สายดึงของเขาเนี่ยสายสายผูกคอสุนัขเนี่ยก็คือตันหานั่นเองนะเปรียบเทียบนะ <Okay. S 1> แล้วก็อนณาเขตที่หมาสุนัขมันไปได้ในรอบๆอบสายเนี่ยก็คือถูกบังด้วยอวิชานะคือเขาจะไม่สามารถออกจากเขตนี้ได้แต่เพราะฉะนั้นเราถูกบังอยู่ด้วยอวิชา นะถูกดึงอยู่ด้วยตันหาไปไหนไม่รอดทีนีนต้ตันหาเนี่ยเป็นเหตุของตัวทุกข์พนระเจ้าก็อธิบายแต่ทีนี้พอตันหาเป็นเหตุของทุกข์แล้วนะมไม่ได้อยู่ภายนอกนะอย่าไปสวยหาข้านอกต้องสวยหาข้างในนะวิธีที่จะแก้ปัญหาทีนี้ว่าตันหาเนี่ยมีอะไรมามาม า, มาเป็นอาหารของเขาถ้าไม่เขาโตขึ้นแล้วก็อธิบายถึงเรื่องอวิชาแต่เราก็ได้อธิบายถึงว่าไอ Tar ้อวิชาเนี่ยมันมาได้ไงนะอยู่ไม่ได้ไม่เกิดขึ้นเองนะมันมีอาหารด้วยเหมือนกันแลก็ไนละ่ dad, จากการที่เราไม่ได้ ไม่ได้มีคบเพื่อนดีพอไม่ได้คบเพื่อนดีไม่ได้คบคุณดีแล้วเนี่ยก็ทําให้ไม่ได้ฟังธรรมะพอไม่ไ ด, ด, ด้ฟังธรรมะแล้วก็ไม่มีศรัทธาไม่มีศรัทธาแล้วก็ไม่ได้ทําในใจโดยแยบคายแต่ทําให้ไม่มีสติสัมปชัญญะพอไม่มีสติสัมปชัญญะแล้วก็ทําให้ไม่สำรวมอินทรีย์นั่นคือตาหูจมูกกายใจลิ้นกายใจของเราพอไม่ได้สํารวมอินทรีย์ก็ทําผิดตั้งตากายวาจาใจแล้วพอทําผิดทำกายวาจาใจแล้วนิวรณ์ก็เกิดนิวรณ์ตรงนี้ อางคนอาจจะยังเป็นศับเหมือนกันนะสัพท์ทางศาสนานะสับทางคำสอ น, นนิวรณ์นี่แปลว่าเครื่องกั้งกันนะทำปัญญาให้ถอยกําลังลนิวรณ์นิวรณ์หเนี่ยเราพูดถึงการเพ่งเลงนะความเพ่งเลงความอยากความเพ่งเลงตรงนี้อันที่หนึ่งอันที่สองนีก็คือความพยาบาทความไม่พอใจความเกรียดคระตตรงนี้อันที่สองส่วนที่สามนี่ความ ง, ง, งวงเหงาเฮานอนคนที่นั่งสมาธินี่เป็นประจำจะรู้เลยแล้วบางทีนั่งไปนิ <c oughs> สัะส ง, งกหน้าหลังซ้ายขวา อ, อันที่สี่นี่คือความฟุง้งซ่านอันนี้คนที่นั่งสมาธิก็จะทราบจิตมันฟุง้งซ่านคิดบ้าบอาไปเรื่อยนะแล้วอันที่5นี่คือความระแวงสงสยัยนะความเครือบแคลงระแวงสงสยัย5อันเนี้ยพระเจ้าเรียกว่ารวมว่านิวรณนะ์เป็นเครื่องกางกาัก้นทําให้เราเข้าสมาธิไม่ได้นะบุคคลในบุคคลหนึ่งจะทําสมาธิได้เนี่ยต้องกําจัดนิวรณ์ออกไปซะก่อนนะนิวรณ์ตรงเนี้ยเป็นเหตุมาจากการที่เราทําผิดทางกายวาจาใจ นะคือถ้าเราทำผิดอยู่เรื่อยนะกายก็ไม่ดีวาจาก็ไม่ดีใจก็ไม่ดีนะคือทำผิดสินะบางงันเถอนะอจะทำให้เรามีความร้อนใจพอมีความร้อนใจแล้วเราจะเข้าสมาธิไม่ได้นะนิวรนจะมาตามกวนอยู่ตลอดเวลาแต่เพราะฉะนั้นอพอเราเริ่มมีความเาขาเรียกว่าสบายทางกายวาจาใจใช่ไหมคือสีของเราดีแล้วระดับหนึ่งเนี่ยก็จะทำให้ไม่มีความร้อนใจพอความร้อนใจไม่มีแล้วมันจะทำให้นิวรนเนี่ยมันดับไปได้ทีนี้ว่าไอ้เจ้านิวรณ์เนี่ย ก็มีเหตุมาจากการที่มีทุจริตสามอย่างการวาจาใจใช่ไหมพอการวาจยใจไม่ดีนิวรณ์เกิดขึ้นพอนิวรณ์เกิดขึ้นสมาธิคุณไม่มีแน่นอนพอนิวรณ์นี่แหละเป็นอาหารของเจ้าอาวิชานะเป็นอาหารของเจ้าอาวิชานะอาวิชาก็เลยกลับไปเป็นอาหารของเจ้าตัณหานะนะพออวิชาเป็นอาหารของตัณหาแล้วทุกเรายิ่งหนักเลยยิ่งอ้วมเลยหนักขึ้นก็เพราะว่ามีเจ้าสิ่งเหล่านี้มากวนใจนี่คือเหตุเกิดนะ เรื่องของการเกิดของปัญหาทีนี้วิธีการแก้ปัญหานะทํำยังไงคือเราต้องเริ่มจากสภาพที่เรามีอยู่ก่อนแตคุณตาใจเราได้พูดเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้ดเราได้พูดถึงเรื่องของจะทํายังไงให้วิชาเกิดใช่ไหม <Okay. S 1> จะทํายังไงให้วิชาอาวิชาดับไปต้องทําให้วิชาเกิดอันะนี้คือเราพูดถึงถึงเจ้าจะดับเจ้าตัวอวิชาเนี่ยที่ทำให้ยังไงให้ปัญหามันลดน้อยลงเราเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้ดเราเคยพูดถึงว่างั้นต้องทําวิชาให้เกิด เดีวจะทํางไงให้วิชาเกิดได้ arc, คุณต้องมีโพชงเจตมีโพชงเจตทํางไงให้โพชงเจตเกิดได้คุณต้องมีสี่สิบพันสทําไงให้สี่สิบพันสี่เกิดได้คุณต้องมีอานาป น, นสติทำยังไงให้อนาปนสติเกิดได้โอ้พระเจ้าเคยพูดเหตุอยู่5อย่างที่ถ้าใครประกอบเข้าแล้วจะทําให้เห็นน้ำลมหายใจได้ energized. นะเช่ stuffing, นว่าฟังธรรมอยู่เร<ย>ื่อยนะเป็นผู้ที่มีกิดน้อยขวนขวายน้อยเป็นผู้ที่มีท้องอันปร่องอยู่เสมอกินน้อยๆอยหน่อยแล้วก็เป็นผู้ที่อยู่ป่ามีเสนาสนัดแล้วก็เป็นผู้ที่มี เห็นจิตที่หลุดพ้นแล้วเป็นลําดับต่อไปต่อไปอย่างนี้นะสี่ห้าอย่างนี้หกอย่างเนี่ยจะทําให้เราเห็นลมหายใจได้อันนี้คือพูดถึงตอนดับของอวิชชานะ <Okay. S 1> ทีนี้เรากําลังจะมาพูดถึงเจ้าตัวปัญหาที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ก่อนนะคือเรามีความทุกข์อยู่ตอนเนี้ยคุณเตใจเออเรามีความทุกข์อยู่ตอนเนี้ยอวิชชาเรายังไม่เห็นเลยเพราะว่าอาวิชชานี่มันมันบังเราอยู่นะคืออะไรที่มันบังเราเราก็จะไม่เห็นตัวมันอนะนะ <Okay. S 1> คือคื อ, อสมมุติว่าเราใส่แว่นอยู่อย่างเงี้ย เราจะไม่เห็นแว่นนะเราเห็นแต่ข้างนอกเรคือเราเห็นผ่านแว่นวเฉยๆเพราะฉะนั้นอะไรที่มันมาบังตาเราเนี่ยเราจะไม่เห็นแล้วเราก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำที่อั ว, วิชาคืออะไรทำไมฉันไม่เห็นรู้เลยว่าฉันมีอัวิชามาบางังก็มันบังคุณอยู่คุณมองไม่เห็นเอางี้ละกันเราไม่ต้องไปตามหาตัวอวิชาหรืออวิชาหรอกเราเริ่มจากตัวปัญหาที่เรามีอยู่ตอนนี้ก็ได้คือทุกข์แล้วถ้าคุณมีทุกข์อยู่สบายใจได้เลยนะคุณแก้ปัญหาได้ <c oughs> เพราะว่าคนที่รู้ว่าตัวเองทุกข์เนี่ย พระพุทธเจ้าบอกว่าทุกเนี่ยทำให้เกิดศรัทธาเห็นทุกเห็นธรรมเคยเคยได้ยินคํานี้ใช่ไหมถ้าคนเห็นทุกนจะเห็นธรรมอันนี้เป็นพุทธวจนะจริงๆเห็นทุกเห็นธรรมทายังไงเห็นธรรมะยังไงเพราะว่าพอเห็นทุกแล้วเนี่ยเราจะเกิดศรัทธาได้คนที่เห็นทุกแล้วเนี่ยนะจะเกิดศรัทธาได้เนอะแต่มาจะพูดต่อไปว่าทําไมเราถึงจะเกิดศรัทธาทำไมบางคนมีทุกแล้วไม่มีไม่มีศรัทธาเกิดอันดับอันดับแรกก่อนพอเห็นทุกแล้วนจะมีศรัทธาได้ พอมีศรัทธาแล้วจะมีความปราโมทได้พอมีความปราโมทแล้วก็จะมีปีติได้พอมีปีติแล้วก็จะมีปัจสถานีคือความสงบระงับได้นะพอมีปัจสถานี่ความสงบประงับแล้วจิตของเราจะมีสุขจิตของเราจะมีสุขจิตเราก็จะมีสมาธิเพราะจิตมีสมาธิแล้วจิตก็จะเห็นตามที่เป็นจริงนะเพราะจิตเห็นตามที่เป็นจริงแล้วจิตก็จะมีความเบื่อหน่ายมีความเบื่อหน่ายแล้วจิตจะมีความกายกำหนับจิตที่มีความกายกำหนับเนี่ยจะสามารถทําให้วีมุตต์ให้เกิดขึ้นได้ วิมุตที่เกิดตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้อวิชามันดับลงไปได้ตรงนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้ได้เข้าใจตรงนี้คือเพราะมีทุกเนี่ยจึงมีศรัทธาคนที่มีศรัทธาแล้วก็จะทําให้ปราโมทมีปีติมีความสงบระงับนะคือจิตที่จิตที่ไปรู้ทุกเนี่ยนะคือที่เราบอกว่าพอจิตมีการเกิดใช่ไหมจิตก็จะเก้าลงสู่ทุกข์ละพราะจิตที่มีทุกเนี่ย คุณรู้ว่าเรามีทุกนะเรามีทุกอยู่นะจิตเนี่ยจะทําให้มีศรัทธาเกิดขึ้นได้พอมีจิตศรัทธาแล้วนะก็จะมีความประโมจจิตมีประโมจจิตก็จะมีปีติจิตมีปีติจิตก็จะมีปัสสทธิความสงบระงับพอจิตมีความสงบระงับไม่ไหลไปตามสิ่งภายนอกไม่หวั่นไหวไตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งภายนอกจิตก็จะมีสุขจิตที่เป็นอย่างนี้เป็นจิตที่มีสุขแล้วจิตนั้นแหละก็จะเป็นสุขเนี่ยเป็นบอกระดับถึงสมาธิในจิตพอพูดถึงสมาธิในจิตแล้วจิตนั้นก็จะสามารถเห็นตามที่เป็นจริงได้ พอจิตเห็นตามที่เป็นจริงได้จิตสามารถจ ะ, ะมีความเบื่อหน่ายใครายกำหนัดความเบื่อหน่ายครายกำหนัดปุ๊บจะปล่อยวางได้พอปล่อยวางได้จะทําให้วิมุตต์เกิดขึ้นพอวิมุตต์เกิดขึ้นจิตก็เริ่มสว่างละก็คลายความมืดที่อวิชามันมาคลุมเอาไว้ออกไปจิตก็เริ่มสว่างตันนี้ความทุกข์เราก็จะลดน้อยลงทีนี้ว่ า, าปัญหาคือว่าเอ๊ะทำไมบางคนเห็นทุกข์เนี่ยมีทุกข์อยู่แต่ว่าไม่เห็นมีสตานเลยเรามีแต่ความทุกข์ท่วมท้อนอยู่แล้วก็ไม่เห็นจะไม่เห็นธรรมเลยอะ่ะคือเห็นทุกข์ นั่นก็คือมันจะมามาประจบเหมาะสอดคล้อง ก, กันกับที่เราจะพูดต่อไปนี้นะที่บอกว่ า, าคนที่จะทำไงถึงจะเป็นอาหารของวิชาให้เกิดขึ้นได้นะว่าอาวิชาเนี่ยมันจะดับลงไปได้ น, นะก็เพราะว่าวิชาเกิดวิชาเกิดขึ้นเนี่ยก็เพราะมีโพชง7แนะ็ดมีโพชง7เพราะมีสติปัฏฐาน4มีสติปัฏฐาน4เนี่ยเพราะมีสุสจริตสามอย่างนะคือกายวาจาใจอันเป็นสุจริต เพราะมีสุจริ3ญามแล้วก็สามารถทำให้สัมบูรณ์มีอินทรีย์สองวลได้สมบูรณ์อินทรีย์ได้คนที่มีอินทรีย์สองมวลสมบูรณ์อินทรีย์แล้วเนี่ยมีเหตุมาจากการที่ก็มีสติสัมปชัญญะนะมีสติสัมปชัญญะนี่ก็เพราะว่ามีเหตุมาจากการที่เป็นคนที่ทําในใจโดยยบคั้งมีโยนิโสมนัสิกานะมีโยนิโสมนัสิกานี่เพราะมีศรัทธานะมีศรัทธาเนี่ยเพราะได้ฟังธรรมได้ฟังธรรมเนี่ยเพราะว่าคบกับคนดีนี่ไงตรงนี้คือ คือทางเชื่อมที่มันจุดอ่อนที่สุดนะจุดอ่อนที่สุดเนี่ยก็คือคุณจะเห็นทุกเนี่ยเห็นทุกแล้วคุณจะเห็นทําได้เนี่ยคุณต้องได้ฟังธรรมะคุณจะได้ฟังธรรมะได้คุณต้องมีเ พ, พื่อนดีในเพนื่อนดีในกรณีนี้เนี่ยคือสัตว์บรุษนะสัตว์บรุษคนดีแในคนดีในที่นี้อาจจะเป็นคนที่รู้ธรรมะก็ได้อาจจะเป็นคนที่เป็นพระเจ้าพระสงฆ์ก็ได้เป็นเพื่อนเ พ, <vintage> พื่อนเรานี้เป็นเพื่อนดีก็มีหรือว่าเป็นเอาพูะพุทธเาเป็นเพื่อนดีก็ได้หรือว่าเอามรรคแปดเป็นเพื่อนก็ได้ เชาเคยพูดถึงเพื่อนดีเนี่ยมีอยู่4ี่หสี่ในยะด้วยกันนะคือเอาพระองค์เป็นเพื่อนดีก็ได้นะคือเอาพระองค์เป็นกัลยาณมิตรก็ได้นะหรือว่าเอาครูบาอาจารย์ที่เราเคารพเรื่มใสเป็นกัลยาณมิตรก็ได้หรือเอาเพื่อนเราก็เนี่ยที่เป็นหัวดํำเป็นคารวะธรรมดาเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนดีก็ได้เป็นกัลยาณมิตรก็ได้หรือว่าจะเอามาร์กบิยงแปดเป็นกัลยาณมิตรก็ได้นะพอเรามีกัลยาณมิตรแล้วเนี่ยเราจะได้ฟังธรรมะนะพอได้ฟังธรรมะธรรมะในที่นี้บางทีเขาอาจจะแบบ ช่วยปรับประโลมเราให้เราเห็นธรรม ะ, ะเห็นความไม่เที่ยงอะไรต่างๆเหล่านี้นะค <Okay. S 1> ือจะเพื่อนที่ดีแบบคู่หูกันอย่างเงี้ยก็จะช่วยปลอบใจเราได้ใช่ไหมพอเราเริ่มได้ฟังธรรมะหรือถ้าไปปรึกษาครูบาอาจารย์อาจจะให้ฟังธรรมะที่ลึกซึ้งขึ้นไปนะทำให้เรามีศรัทธา <Okay. S 1> พอเรามีศรัทธาแล้วก็จะมีโยนิโสมณิสิกานะเพราะศรัทธาตรงเนี้ยก็จะไม่เกิดปีติสุขด้วยมันแยกออกไปสองสาทางเลยตรงนี้นะพอคนมีศรัทธาแล้วจะทําให้มีโยนิโสมณิสิกานะมีปีติมี มีสติมีการสํารวมอินทรีย์ในมีสุจริต3อย่างมีสติปัฏฐาน4มีโพชฌงเจ็วิชาวมุติก็เกิดขึ้นนะหรือหรือถ้ามีศรัทธาแล้วอาจจะมีปีติมีปัสสธิมีสูขเห็นนางที่เป็นจริงปล่อยวางได้วิชาวิมุติก็เกิดขึ้นได้นะตรงนี้ที่อาจามาต้องการสื่อสารก็คือว่าวิธีการแก้ทุกข์ของเราเนี่ยผมมีถ้าเรามีทุกข์ได้กี่วิธีนะก็มีทางแก้ทุกข์ได้เท่านั้นวิธี อืมเจ้าค่ะอืมตรงนี้ย ม, ม, ม, มีมีวิธีตลอดเลยนะเจ้าค่ะที่จะแก้ความทุกข์แต่จุดจุดเชื่อมที่มันอ่อนที่สุดเนี่ยคือตรงศรัานี่เองเราเราจะมีศรัทธาได้ยังไงอ่เราจะมีศรัทธาในคําสอนพระพุทเจ้ามั่นใจว่าไี้ที่พระเจ้าสอนเนี่ยแก้ทุกข์ได้จริงๆนะไม่ใช่แค่ให้กลับให้ไว้เฉยๆนะกลับวาก็ดีอยู่แต่มันแก้ทุกข์ได้จริงๆนะอืมเจ้าค่ะถ้าเราปฏิบัติตามคําสอนนั้นๆ น, นะเจ้าค่ะใช่ มีความศรัทธาตรงนี้แล้วเราจะมีความศรัทธาได้ก็เมื่อเราคบคนดีก็คือคนที่จะนําเราไปสู่ธรรมะได้รับฟังธรรมะที่ถูกต้องจากที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนนะคะพระเจ้าจึงเคยพูดกับท่านพระอนุนบอกว่าเพื่อนที่ดีเนี่ยกระแลเมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของการประพฤติปฏิบัติเลยนะมันเป็นทั้งหมดของการปฏิบัติที่จะแก้ทุกข์ของเรานี่เลยนะมันก็จะมาสอดคล้องกันตรงนี้ว่า พอมีเพื่อนดีแล้วใช่ไหมก็จะทําให้ได้ฟังธรรมะฟังธรรมะโดยตรงจากเพื่อนหรือว่าเพื่อนชักชวนไปฟังธรรมะก็ไดนะ้พอได้ฟังธรรมะแล้วนะก็จะมีความศรัทธาและมีศรัทธาแล้วมันก็จะแยกไปหลายแงแล่ลนะทําให้มีปิติปราโมทย์จิตตั้งมั่นปล่อยวางได้ก็ได้อันนี้สายที่1นนะึหรือว่าจะทําให้จิตของเรานะมีการโยนิสมงสิการโยนิสมรสิการแล้วก็นะมีสติสัมปชัญญะเห็นโพชฌงปล่อยวางได้มีวิชาวิมุติเกิดขึ้นนี้ก็ได้ เนะจ้า ค, ค่ะหรือว่อาพอแยกยได้เป็นสองอันนะเจ้า ค, คะอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือว่าพอเรามีศรัทธาแล้วเราจะมีวิทยะมีความน้องไปในการปฏิบัตนะิปฏิบัติแล้วจะทำให้มีสติแนะสติแล้วมีสมาธิเกิดขึ้นมีปัญญาเกิดขึ้นปล่อยวางวิชาวิมุติเกิดขึ้นได้อันนี้ที่สามนะหรือลงไปในรายละเอียดการปฏิบัตินี้ก็หมายถึงอนาปานสตินะทําให้สติฐานสี่เกิดขึ้นได้มีโพชงเจ็ดวิชาวิมุติเกิดขึ้นได้เหมือนกันอืมเจ้า ค, ค่ะอืม หลายทางเลยนะเจ้าค่ะหลายทางสี่ทางอ่ะไปนิดหน่อยเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นอความทุกข์มีประมาณเท่าไหร่นะทางดับทุกข์ก็มีเท่ากันนะทางดับทุกข์ก็มีเท่ากันเราจ ะ, จะพูดอย่างนี้ได้ไหมเจ้าค่ะว่าสิ่งที่องค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้ส่งสั่งสอนนั้นก็คือว่าไม่ว่าจะมีความทุกข์มาในรูปแบบไหนกี่ทางก็ตามเนี่ยล้วนแต่มีทางแก้ไขทั้งสิ้นถูกต้องเจ้ค่ะคือการแก้ไขนี่ไม่ใช่ว่าทําให้ ทุกขเวทนาเนี่ยมันดับไปน ะ, ค, ะคือบางคนจะไปเข้าใจผิดว่าอทุกขเวทนาเนี่ยเราไม่เอาเราจะเอาแต่สุขเวทนาอันนี้คุณยังเข้าใจผิดอยู่แต่เพราะว่าสุขเวทนาเนี่ยก็เป็นทุกขเหมือนกันนะอืมแต่<ม>ขเข้าใจัยไ่ะเพราะสมมติความ <S <S ความรู้สึกที่เป็นสุขของเร า, า <S <S สมมติมีคนมาพูดใส่หูเราแล้วก็พูดเป็นคําหวานๆให้ชมเราขึ้นมาอย่างนี้นะอันนี้เป็นสุขเวทนาเกิดขึ้นในจิตละสุขเวทนานี้จะดับไปแน่นอน นะเพราะว่ามันไม่ได้เห็นอย่างเดียวกันทุกคนนะ อ, อบางคนอาจจะเห็นว่าเราอ้วนทันที่เราก็ไม่ได้อ้วนนะหรือบางคนเราอ้วนอยู่จริงๆเขามาพูดยอรเราเฉยๆเราว่าเราเป็นคนผอม <c oughs> ในขณะที่คนเขาพูดจริงๆเราก็จีขึ้นมานะเพราะนั้นไอ้สุขเวทนาเนี่ยมันเป็นทุกตรงที่ว่ามันเสื่อมไปได้นะมันมันดับไปได้แตนะ่ถ้ามีใครไม่เห็นไม่ตรงกันนะหรือว่ามีคนมาพูดอีกอย่างนึงหรือว่าพอความสุขตรงนี้มันเสื่อมไปแล้วนั่นจะเป็นความทุกข์ทันที เข้าใจพฉะนั้นแทนที่เราจะเห็นว่าสุขคเวทนาเนี่ยเป็นความสุขเห็นว่าทุกขเวทนาเนี่ยเป็นความทุกข์ไม่ใช่อันนี้คุณยังเข้าใจไม่ถูกแสดงว่าคุณยังไม่ได้ฟังธรรมแต่บุคคลที่ฟังธรรมแล้วจะเข้าใจถูกต้องว่าสุขเวทนาก็เป็นทุกข์ทุกขเวทนาก็เป็นทุกข์แล้วทุกขตรงนี้ทุกขเวทนากับทุกขเนี่ยไม่เหมือนกันนะคือทุกขเวทนาเนี่ยกินความแคบกว่าทุกขนะทุกขเนี่ยกินความกว้างกว่าทุกขเวทนานะเพราะว่าสุขเวทนาทุกขเวทนารวมอยู่ในทุกขทั้หมดเลย นี้ไอ้ความทุกข์ความทุกขที่อาตมาพูดเนี่ยนะก็คือหมายความทุกข์โดยรวมทั้งหมดตรงนี้นะคนที่มีศรัทธาและได้ฟังธรรมเนี่ยจะเข้าใจระบบความทุกข์ที่ถูกต้องว่าตรงไหนเป็นความทุกข์จริงจริพอเข้าใจระบบความทุกข์ที่ถูกต้องแล้วเนี่ยคือคือคนที่เขาทุกข์เนี่ยนะคื อ, คอมันจะมีอยู่สองแบบนะคุณเดินใจเหมือนอย่างหมอที่คนป่วยอย่างเงี้ยคุณป่วยเป็นไข่อย่างเงี้ยนอนส้มอยู่ยกแขนยกขาไม่ขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นทุกข์ใครใครก็ทราบ แ ต, แต่คนที่เป็นทุกข์นอนป่วยอยู่สมมติหมอป่วยนะ ห, มหมอที่รักษาคนไข้นั้นนายแพทย์หรือแพทย์หญิงเนี่ยนะ <Okay. S 1> เขาป่วย เ, ยเก็รู้ตัวเขาป่วยแต่ความรู้ว่าเขาป่วยกับคนธรรมดารู้ว่าตัวเองป่วยเนี่ยไม่เหมือนกันน ะ, <Okay. S 1> ะอย่างหมอรู้ว่าตัวเองป่วยเนี่ยเขายังรู้ว่ามันเป็นโรคอะไรมีอาการอย่างนี้มีเห็นมาจากอะไรเชื้อโรคนี้มันกินอะไรมันจะแก้ไข ย, ยังไงใช้ยาอะไรถึงแก้ได้เป็นความรู้ที่กระจายไปได้ แต่ความรุ่งคนธรรมดาที่ไม่ได้รู้เรื่องไข่เนี่ยเขาจะไม่รู้ว่าไอ้นี่มันเป็นอะไรเห็นมาจากอะไรอาการอย่างนี้มันเป็นเพราะอะไรนะเขาจะไม่รู้เป็นความรู้ตันรู้แต่ว่าตัวเองต้องนอนโสมอยู่ในขณะที่หมอรู้โรครู้ไข้เนี่ยตัวเองป่วยก็จะรู้ว่าต้องแก้ไขยังไงนะไอ้ความตรงนี้แหละคือควรจะรู้ตรงนี้ได้เพราะว่าคุณต้องฟังธรรมไงเพราะคุณฟังธรรมแล้วคุณจะรับรู้เรื่องถูกนะเพราะคนที่มีศรัทธาแล้วจะได้ฟังธรรมนะเพราะได้ฟังธรรมแล้วก็จะ จะสามารถแก้ไขปัญหาตามระบบระเบียบขังเขาได้ก็เขจะทำให้เป็นผู้ที่รอบรู้เรื่องทึกปล่อยวางความทุกข์ตรงนี้ได้นะเจ้า ค, ค่ะก็เรียกว่าถ้าเผื่อเราฟังทมกันดีๆแล้วก็แล้วนำมาประพฤติปฏิบัติตามนะเจ้า ค, ค่ะก็จะทำให้เราเรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมรู้แนวทางที่จะแก้ทุกข์ที่อยู่ในใจเราซึ่งแตกต่างกันไปแล้วแต่แต่ละกรณีนี้ได้อย่างถูกต้องต่อไปใช่ไหเจ้าค่ะ ตรงตรงนี้เรียกว่าโยนิสโสมนัสิการเนี่ยการทําในใจโดยแยบคายนะนพอการในใจโดยแยบคายใช่คะ พ, อ เ, พอเราฟังธรรมเรามีศรัทธาแล้วเนี่ยพอเราจะทําในใจโดยแยบคายถ้าไม่เราเข้าใจระบบของความรู้ไม่ถูกต้องเหมือนหมอเนี่ยเขาต้องเรียนกันหกเจ็ดปีนะเรียน6กปีเสร็จแล้วต้องไปต่อไปไปฝึกงานอีกฝึกงานแล้วคุณต้องไปเรียนเฉพาะทางอีกเรียนเฉพาะทางคุณต้องหาปสบการณ์อีกหลายปีนั่นแหละกว่าจะเป็นหมอที่แบบคนจะมีความเชื่อถือได้เป็นหมอที่มีชื่อเสียงรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะตรงนี้แหละคือการกระบวนการของโยนิโสมนัสิกานคือการทำในใจโดยแยบข่ายแต่คุณมาคิดให้คนตรงนี้ไอ้ความทุกข์ที่เราพูดถึงนี่มันอะไรกันแน่นะไม่ใช่สุขเวทนาไม่ใช่ทุกขเวทนาอย่างเดียวนะมันยังรวมการเกิดการแก่การตายเส้นผมหนังศีรษะของเราอะไรต่างๆรวมพวกนี้หมดเลยนะพอเรามาไข้ ค, ควรตรงนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะจิตของเราเนี่ยไข้การไข้ ค, ควรตรงนี้จิตตรงนี้มีสติแล้วคุณจิตใจนะก็เรียกว่ามีสติอยู่ในกายมีสติอยู่ในใจ นะมีก็เรียกว่าสติปัฏฐานสี่นะพอหนี้สติปัฏฐาน4นะี่นั้นเราจะเริ่มมีการสํารวมอนะินทรีย์ละอย่างหมอเนี่ยพอเขารู้แล้วว่าเออเป็นเพราะว่าโรคตัวนี้เป็นโรคภูมิแพ้นี่มันภูมิแพ้อะไรออมภูมิแพ้ฝุ่นเอาแล้วก็หลีกหลีกนี้จะฝุ่นเท่นั้นเองใช่ไหมเห <Okay. S 1> มือนเราพอเรารู้แล้วว่าอ๋ออันนี้เป็นเหตุของทุกอันนี้เป็นความดับของทุกเอางั้นเราก็หลีกนี้ไอ้สิ่งที่ไม่ดีตรงนี้แหะคือการสํารวมอิ mm. นทรีย์พอเรามีการสํารวมอินทรีย์แล้วนะตาหูจมูกลิ้นเออ กายวาจาใจของเราจะได้รับการควบคุมค okay. ือตามหูจมูกลิ้นได้การควบคุมเนี่ยก็หมายถึงกายวาจาใจของเราเนี่ยได้รับการควบคุมแล้วพอกายวาจาใจของเราได้รับการควบคุมแล้วเราจะทําจิตให้เป็นสมาธิได้ะมีสติมีสมาธิเกิดขึ้นนี่แหละคือองค์ทําในการตรัสรู้ธรรมโพชฌทั้ง7จ็องค์ทํามแการตรัสรู้ธรรมคือโพชฌ์ทั้ง7จ็ดมีอะไรบ้างะสติเป็นหนึ่งในนั้นพอสติเรามีสติมีการควบคุมกายวาจาใจเนี่ยสติเป็นหนึ่งในองค์ทํามแการตรัสรู้ธรรม พูดถึงคำว่าองค์ทําห่การตรรลุธรรมาคนอาจจะไม่เข้าใจเอาพูดง่ายๆคือองค์ประกอบที่จิตจะต้องมีทําให้บรรลุธรรมได้แตนะถ้าจิตดวงไหนมีไอ้พวกนี้อยู่สักอันใดอันหนึ่งจิตคุณจ่อแล้วนะพร้อมที่จะสว่างขึ้นแล้วพร้อมที่จะบรรลุธรรมแล้วนะสติเป็นหนึ่งในนั้นนะมีสติแล้วมีอะไรอีกสมาธิก็เป็นหนึ่งในนั้นนะถ้าจิตของเรามีสมาธินะก็ชื่อว่าจิตนี้สบายแนละ้วเตรียมพร้อมที่จะบรรลุธรรมได้นะหรว่าอุเบกขาก็เป็นหนึ่งในนั้นนะหรือว่าความเพียรก็เป็นหนึ่งในนั้น นะความสงบระงับนะสงบระงับในที่นี้หมายถึงว่าไม่หวั่นไหวไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งภายนอกสิ่งภายน่าจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะฝนจะตกแดดจะออกฉันก็สบายใจอยู่ข้างในนะสิ่งนี้จะแตกไปดับไปเกิดขึ้นมาใหม่ฉันก็ยังสบายใจอยู่ข้างในนี้เป็นลักษณะของปัจติคนะือความสงบระงับเราก็ยังมีปิติด้วยความอิมอ่มเอิบใจความสบายใจนะก็จะทําให้เป็นผู้ที่มี อ, องค์ธรรมแห่งการตรัสรูธ้ธรรมเจ็ดอย่างตรงนี้ พอเรามีงจากอย่างตรงนี้เนี่ยจิตของเราจะสามารถที่จะทําวิชาวิมุติให้เกิดขึ้นได้นะพอมีวิชาวิมุติเกิดขึ้นแล้วนะอ่าวิชาก็ดับไปใช่ไหมดับไปจากความรู้ของจิตพ อ, อวิชาดับไปจากความรู้ของจิตอันนี้ก็จะไปเข้ากันกับเมื่อเราคุยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วละว่าพออวิชาดับไปจากความรู้ของจิตใช่ไหมจิตก็ไม่ไปก้าไม่มีการปรุงแต่งไม่มีการปรุงแต่งก็ไม่ต้องไปก้าวลงสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ทําให้จิตไม่ต้องไป ม, ม, มีการรับรู้ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นทุกเป็นอะไร แก็ไม่ไปก้าวลงไม่มีความทุกข์ความทุกข์ก็ดับไป ม, มันมันเป็นวงใหญ่มากเลยละคะคุณเตืนใจมันวงวนกันไปวนประมาทเนี่ยนะจ้าค่ะจค่ะก็คือถ้าเราได้ศึกษาให้เห็นรอบคือคือเห็นภาพกว้างของสิ่งที่ อ, องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ท่งตรัสรู้นะโชค่ะแล้วก็ทรงประกาศศาสนาไว้เนี่ย จะเห็นว่าเป็นวงรอบที่กว้างอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าคะแล้วก็มันจะเชื่อมต่อกันเป็นเหมือนธรรมะที่อาศัยการและการเก<บ>ิดขึ้นในขณะเดียวกัน <modifier. S 2> ถ้าเราอยากจะดับสิ่งที่ไม่ดีนั้นเราก็เหมือนวนกลับมาว่าต้องทําให้สิ่งนี้ดับไปสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะหายไปอย่างนี้เจ้าคะเขาเรียกว่าหมดทุกกันจริงๆถึงพระนิพพานกันจริงๆนะเจ้าคะทีนี้ว่าอ่อมันมันจะมีข้อควรระวังตรงนี้ถ้าเราพูดถึงวงใหญ่เราพูดถึงว่า กรวนการธรรมะเนีโห oh, oh, ลึกซึ้งมากเลยมีกระบวนการต่างต่างโห oh, oh, เราเราพูดกันนี่สองสัปดาห์แล้วนะยังไม่จบเลยเนะี่ยจบค่ะทีนี้ต้องต้องพูดตรงนี้ต้องระวังนะ <Okay. S 1> พระเจ้าเคยเตือนถึงตรงนี้ว่าอย่าให้เป็นตาบอดคำช้างนะคือมีพระราชาในสมัยสมัยก่อนก่อนู่นที่พระเจ้าเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะเอาคนตาบอดแต่กําเนิดมาแล้วก็ให้เขาไปแสดงช้างให้ดูนะให้ข้าราชการของตัวเองเนี่ยแสดงซึ่งช้างให้ตาคนตาบอดพวกนี้ดูคนตาบอดคนดนะนี้ทำคำหัวช้างนะก็บอกอันนี้ช้างนะ คนตาบอดพูดกับคําหางช้างนี่บอกว่าช้างคนตาบอดพูดกับคํางานช้างคําขาช้างคาหลังช้างคําพวงหางช้างนะคาตัวช้างก็บอกว่าช้างช้างหมดเลยเขาก็มาเถียงกันว่าช้างต้องเป็นอย่างนี้ช้างไม่ใช่อย่างนี้นะเราอย่าไปเถียงกันอย่างนั้นนี่คือข้อที่คุณระวังแต่ถ้าเราพูดถึงในทั้งหมดเนี่ยมีอะไรบ้างมีทูมีสต้าปีติปราโมนประสตที่สุขสมาธิการเห็นตามที่จริงการปล่อยวางอวิชชาตันนาอุปัฏฐาอะไรต่าโอ้เป็นพวงเลยเนี่ย แล้วคุไปเอามาตัวเดียวแล้วบอกว่าเอ้ยอันนี้ต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ใช่อันนี้คุณตามหมอคำช้างละต้องระวังต้องระวังน่ะก็คือรู้ไม่ไม่จริงก็รู้ไม่รอบครอบอ่าแล้วก็มาพูดมาพูดไปเองทีนี้ค่ะก็ทําให้บางคนจะไปคิดว่าโอ้งั้นผมต้องรู้หมดเลยเหรอต้องรู้หมดเลยนี่ต้องเรียนกี่ปีล่ะก่อนตายนี่ฉันจะจะศึกษาได้ไหมนี่เจ็ดิบแปสิบแล้วเงี่ยนะก็ไม่ใช่อย่างนั้นอีกน่ะคือธรรมะของพระเจ้าเนี่ยรู้แม้บทเดียวก็พอรู้บทเดียวทำยังไง อย่าไปทุ่มเทียงกันให้เอามาปฏิบัติจริงจรงจังๆแต่ถ้าเร า, เามาปฏิบัติจริงจริงจังๆไม่ทุ่มเทียงกันนะนี่แหละถึงจะถูกแลรูปบทเดียวคุณก็รู้ได้อย่างที่เราพูดมาทั้งพวงทั้งหมดเนี่ยนะเช่นทุกน้ำรูปอุบาทานภัสสะสรายตนะ อ, อกฟังแล้วก็งอกับปัสธีอีกสุขสมาธิเอาขอคุณรู้ตัวเดียวพ อ, อ ค, คุณจะรู้อะไรสติใช่ไหมว่าสติก็ได้คุณจะรู้อะไรนิพพานใช่ไหมคุณรู้ก็ได้คุณจะรู้อะไรอวิชชาใช่ไหมคุณรู้ดตัววเีย รู้ให้จริงนะทําให้ถูกทําทให้ต้องแล้วคุณแก้ถูกได้อืมเจ้าคะ่ะเพราะว่าตรงเนี้ยบางคนอาจจะเห็นเป็นวงใหญ่มากเลยนะขอให้ตัดตรงเดียวตัดที่เดียวตัดจุดเดียวมันขาดโพลวอหมดเลยคือคือที่ใจเราใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ตรงเนี้ยมันเป็นวงใหญ่ใช่ไหมวงใหญ่นี่คือวัตตะนะมันหมุนไปหมุนไปเนี่ยนะเราจะตัดวงนี้ให้ขาดเนี่ยคุณไม่ได้ต้องไปฉอะ ท, ทุกทุกจุดนะคือตัดจุดเดียวมันก็ขาดเลย วงกลมมันจะหลุดจากความเป็นวงกลมได้ขอตัดที่เดียวเราไม่ต้องไปตัดสิบจุดตัดสิบจุดก็ได้ไม่ว่าอะไรแต่จะไปเหนื่อยทำไมตัดจุดเดียวพอเอ า, เ อ, า, เ อ, าอะไรดีมาทําสมาธิเลยคุณทําสมาธิก็ได้และบางคนจะฝึกสติเอาคุณทําสติก็ได้ไม่ว่าอะไรบางคนจะฝึกให้ปล่อยวางคุณปล่อยวางก็ดีแล้วทำไปแต่บางคนจะให้เห็นโพชงกู้กับคุณทําไปเลยแต่บางคนบอกจะละนิมวันอ๋อละนิมวันละไรได้จริงๆริงมันทาไปเถอะแลตัดจุดเดียวขอจุดเดียวตัดที่เดียวไหนก็ผางได้เหมือนกัน เจ้าค่ะผังในที่มีหมายถึงว่าคลายทุกข์ได้นะเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็เรียกวหมดทุกไปว่าอย่างนั้นเถิดเจ้าค่ ะ, คะเพราะฉะ น, นั้นในเดือนที่เราพูดถึงพุทธเชียนตีนะคืจริงๆเขาก็จะมีการเสริมฉลองในทั้งเดือนะนะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยทําไมจะต้องแสดงตั้งโอ้โอเนกปริยายเยอะแยะมากมายเหลือนะเพื่อให้เราทราบว่าขอจุดเดียวนะคือมันมีช่องทางในการแก้ทุกข์เนี่ยอยู่หลายจุด นะคุณเข้าใจตรงไหนคุณเอาตรงนั้นมาทำํำนะคุณเข้าใจตรงไหนคุณเอาตรงนั้นมาจับนะมันจะทําให้การปฏิบัติของเราเง่ายนะพุทธเชาบอกไว้แล้วว่าตัวพระองค์เนี่ยแสดงธรรมโดยอนเนกปริยายแล้วโดยละเอียดแล้วนะไม่มีอะไรที่ไม่ได้บอกแล้วทุกอย่างแบะให้ดูหมดไม่มีกรรมะที่เหลือในทํามือกรรมือที่ยังกรรไว้ไม่เปิดให้ดูเลยลเพราะฉะนั้นพอรายละเอียดมันมีมากขนาดนี้เนี่ยเราอย่าไปกังวลว่าโอรายละเอียดมากขนาดนี้ฉันต้องรู้หมดเลยไหมอันนี้มันสุดโต่งอีกข้างหนึ่งแล้วไม่ต้องกองังวล แต่ให้มีความสบายใจว่ารายละเอียดมากขนาดนี้ขอแค่ข้อเดียวนะรู้สักจุดใดจุดหนึ่งเราต้องรู้ได้แน่นอนน่ะในธรรมะทั้งหลายหมวดตรงนี้นะ <Okay. S 1> พอเราดูดูได้อย่างนี้สักตรงในตรงหนึ่งแล้วเราก็ก็ทําให้มันถึงที่สุดทําให้มันได้ทําให้มันจริงทำให้มังจังนะธรรมา <Okay. S 1> ก็คิดว่าในเดือนที่ครบรอบการ2องพปีของพุทธเจ้าเนี่ยเรามาบูชาพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติก็ดีใช่ไหมด้วยการทําตัวเองเป็นธรรมตายาดด้วยการปฏิบัติบูชา ม็นจะดีมากๆเลยคุณเดินใจสาธุเจ้าค่ ะ, ค ก, คะก็เรียกว่าพยายามที่จะสืบทอดศาสนาต่อไปให้อยู่อีกเป็นหลายๆพันปีนะเจ้าค่ะด้วยการทำเป็นทำตัวเป็นธรรมัยญาติแล้วก็ช่วยกันเผยแพร่สิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงตรัสรู้นี้ให้มีคนปฏิบัติตามแล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติหรือว่าดำเนินชีวิตตามรอยทางที่พระองค์ชี้แนะมาอย่างถูกต้องต่อไปนะค่ะใช่ใ สาธุเจ้าค่ะข่ท่านผู้ฟังคาเสียดายจังเลยนะคะเวลาในรายการธรรมรัปรุณในเช้าวันอาทิตย์ที่สิบมิถุนายนนี้ก็หมดลงแล้วล่ะค่ะก็เห็นจะต้องขอนำท่านผู้ฟังทั้งบ้านนะคะกราบน้ำมัสการลาพระอาจารย์ไพบุญอภิปุนโนพระอาจารย์องปาถกประจำรายการของเรานะคะไปเพียงแค่นี้แล้วก็ มาพบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าซึ่งก็จะเป็นเรื่องของการสากัะชาคราวนี้ดิฉันจะนําท่านผู้ฟังม า, อาลองคุยในารายละเอียดในแต่ละอย่างที่พระอาจารย์ได้ทรงได้เมตตาที่จะได้ชี้แจงกันมานะคะก็คงจะทําให้เดือนนี้ซึ่งเป็นเดือนมิถุนายนเป็นการลําลึกวันวิสาขบูชาเป็นวันลําลึกที่ว่ า, าเป็นปีแห่งการที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้มาครบ 2,600 ปีในปีนี้ ก็จะได้มีคุณค่าและท่านผู้ฟังทางบ้านเองก็จะได้สิ่งที่เป็นประโยชน์จากรายการธรรมรับอรุณทางสานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะเช้าวันนี้เรามากราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบุตอภิปุโนพระอาจารย์ผู้อนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมบริกเก้นปิดวาจาตามพุทธโอษขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า แห่งวัดป่าดอนไหโศกตัมบุรดอนไถโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะแล้วก็วัดนี้มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดที่ตัวผ่าศท่านเป็นเจ้าอาวาสค่ะขอกราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าขาพระจันเจ้าขาเทมพานตาทูเจ้าค่ะ